ขอทุกท่านอนุโมทนาเจภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้นงรักสุวววิวัตรยองเอ็นผีชัคณิตอุทัยวัฒนาจันทนารสราสืบกุลวิไลวันกุลเพิ่มทวีรัตการพิชยาใจทิตาจารุณีวานิธนันกูลปัญญาพุท ธ, ธิพิพัฒสุนันทาทองกูลไพลินดอกไม้รักยานาวาปัญญาธรรมรวมกับอีกหลายท่านดูได้จากเครดิตไทยเรื่องและขออนุโมทนากับท่านที่ไม่ประสองค์ออกนามด้วยนะครับ สภาพทานังธรรมะทานังจินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง